เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยา ย, ยนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละ บ, บา มาชำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมคือเรื่องของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมผลก็คือวิบา ที่จะตามมาหลังจากที่ได้ทำแล้วผู้ที่กระทำคือใจโดยใช้ร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือเมื่อทำแล้วผู้ที่รับผลก็คือใจผลของการกระทำของใจก็มีอยู่สองลักษณะ มีความสุขใจหรือมีความทุกข์ใจมีความเย็นใจหรือมีความร้อนใจพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้พบเห็นความจริงว่าถ้าทำบุญก็จะทําให้ใจเย็นมีความสุขถ้าทําบาปก็จะทําให้ใจรุ่มร้อนมีความทุกข์ ใจที่อย่างนี้เวลาตายไปก็ไปสวรรค์ใจที่รอ้อนเวลาตายไปก็ไปนรกไปะบายอันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระองค์เองจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก ผู้ที่ยังมืดบอดอยู่ยังไม่เห็นบุญเห็นสวรรค์ยังไม่เห็นาบายังไม่เห็นนรกกันผู้ที่ไม่เห็นถ้าเชื่อก็จะได้ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้กระทําก็จะได้รับผลดีก็คือได้รับความสุขได้ความเย็นใจ ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ทำตามคำสอนแทนที่จะทำบุญก็จะทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็จะทำให้เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาตายไปก็ต้องไปอยู่ในอบายนี่คือคานเชื่อของพวกเราถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์กับตาของเราเอง แต่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นแล้วแล้วเป็นผู้ที่ได้เอาสิ่งที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นมาเผยแผ่ให้แก่สว์โลกถ้าผู้ใดน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้พบกับความร่มเย็นเป็นสุดทั้งในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่ และเวลาตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติเพราะว่าไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญแล้วถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องทำคำสอนขั้นที่สามก็คือต้องชำระใจให้สะอาด สิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้ใจต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี่แต่กิเลสตัณหานี้ เราสามารถกำจัดได้บิเลตนาหานี้ก็เปลี่ยนเหมือนเชื้อโรคในร่างกายถ้ามียาก็สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคภายในร่างกายได้ถ้าเรามียาของพระพุทธเจ้าคือธรรมะโอสถเราก็จะสามารถกำจัดความโลภ ค, ความยา ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรากำจัดได้จนหมดสิ้นไปใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะไม่มีเชื้อของภพของชาติเอกต่อไปก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพลาดพากจากกันใหม่นี่คือสำหรับผู้ที่ เบื่อกับความทุกข์ที่มีจากการเกิดคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆทุกครั้งที่ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลาดพลาคจากกันก็จะต้องร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสีอใจ ถ้าเบื่อกับการต้องมาร้องห่มร้องห้าเศร้าโศกเสียใจอยู่อย่างไม่มีวันหมดสิ้นก็จะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้เราต้องทำบุญกันก่อนการทำบุญ น, นี้จะเป็นเหมือนบันได ที่จะพาให้เราเก้าวสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้เหมือนกับการเรียนหนังสือบุญการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมพอเราเรียนจบชั้นอนุบาลชั้นประถมแล้วเราก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยมชั้นมัธยมก็คือการไม่ทำบา การทำบุญนี้ง่ายกว่าการไม่ทำบาปแต่ถ้าทำบุญแล้วก็จะมีกำลังที่จะไม่ทำบาปได้พอไม่ทำบาปได้แล้วก็จะก้าวขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาคือชั้นภาวนาถ้าทำบุญได้ละบาปได้ก็จะมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา สมถะภาวานาและวิปัสนาภาวานาได้ถ้ายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสนาภาวานาใจก็จะยังไม่ปราศจากความโลภความอยากต่างๆมีวิปัสนาและสมถะภาวานาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือช่วยกำจัดภพชาติที่มีเชื้อของภพชาติ ที่มีในใจที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยางไม่มีวันสิ้นสุดแต่ก่อนจ ะ, จะเจริญสมถภ า, ภาวนาวิปัสนาภาวนาได้ต้องละบาปให้ได้ก่อนต้องละต้องละสาสีแปให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาสีแปได้ก็ต้องรักษาสีห้าไปก่อน เพราะการรักษาศิน8นี้ยากกว่าการรักษาสินห้าและก่อนที่จะมารักษาศีลห้าได้ก็ต้องทําบุญมาก่อนถ้าใจชอบทําบุญแล้วก็จะไม่ชอบทําบาปถ้ายังไม่ชอบทําบุญก็จะรักษาสีนได้ยกกากเพราะความอยาก ได้เงินได้ทองมากๆ ก, การอยากเก็บเงินเก็บทองไว้มากๆไม่อยากให้ใครก็จะทำให้รักษาศีลดายาเวลาอยากได้เงินมากๆถ้าต้องทำบาปก็จะทำเช่นถ้าต้องโกหกก็จะโกหกถ้าต้องโกงก็จะโกเพราะอยากได้เงินมากๆแต่ถ้าเป็นคนที่ ชอบทาบุญไม่หวงเงินหวงทองไม่อยากได้เงินทองมากมายก่ยกองจนเกินไปเวลารักษาสิลก็จะง่ายเพราะคนทาบุญนี้จะมีความนมสตาจะมีความาพิจารณาว่าเวลาทำอะไรแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเปล่า ถ้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะไม่ทำเพราะคนทำบุญนี้ชอบทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขมีความสบายนั่นเองจึงไม่ชอบทำอะไรที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีเมื่อมีบุญอยู่ภายในใจแล้วก็จะรักษาศีลได้ตอนต้นก็จะรักษาศีลห้าไปก่อน เมื่อรักษาศีลได้แล้วก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลว่าทำให้จิตใจมีความ่งเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่รุ่มร้อนไม่วิตกไม่หวาดกลัวก็จะอยากจะรักษาศีลให้มีมากขึ้นไปก็จะเริ่มรักษาศีลแปกในวันพระก่กอน วันธรรมดาก็รักษาศีลห้าใส่บาธร ท, ทบุญถวายทานบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้มีความน่มเย็นเป็นสุด เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะรักษาสีห้าได้อย่างสบายพอรักษาสีห้าได้ก็จะเริ่มรักษาสีแปได้โดยการรักษาสีแปในวันพระรักษาสีแปได้ก็จะทำให้มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถภาวนาได้ถ้ายังรักษาสีแปไม่ได้ ก็จะไม่มีเวลาว่าเวลาก็จะหมดไปกับการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้วกาย mm. เช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนการรับประทานอาหารไม่มีขอบมีเขตรนะับประทานทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและบางทีก็ออกไปรับประทานอาหาร ข้างนอกบ้านไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานเวลาที่จะมาจะเจริญสมถภานวนาทำใจให้สงบก็จะไม่มีเวลากลับมาบ้านก็กลับมานอนบนฟูกหนาๆ น, นอนอย่างสุขอย่างสบายก็จะนอนมากจนเกินไปถ้าถือสิงแต่ ก็จะไม่สามารถทำเสิ่งต่างๆนีนได้ก็จะไม่ต้องเสียเวลากับร่วมการร่วมหลับนอนกับคู่ครองหรือกับใครก็ตามไม่ต้องเสียเวลากับการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานจนถึงเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากเที่ยงวันก็งดเว้นไป แล้วก็ไม่หาความสุขจากการหาจากจากการดูการฟัง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงต่างๆเรื่องมาหอระสพต่างๆแล้วก็ไม่เสียเวลากับการที่จะต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแล้วก็จะไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆละนอนบนพื้นไม้พื้นแข็ง พราะว่าถ้านอนบนพื้นแข็งแล้วจะนอนไม่งานร่างกายพอได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาะๆพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็เลยขอนอนต่ออีกสองอีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้ว ก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะได้ลุกขึ้นมาจเจริญสมถะ ภ, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาต่อไปถ้าเราได้จเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็จะได้กำจัดพพเชื้อของภพชาติคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปทุกข์ที่อีกต่อไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจผลก็คือความสุขความทุกข์ใจในปัจจุบัน และนรกสวรรค์ชั้นต่างๆเวลาที่ร่างกายนี้ตายจากโลกนี้ไปแล้วถ้าทำบุญและไม่และและบาปได้เวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกตายไปก็จะได้ไปเป็นเทเป็นเศษถีบุญ เมื่อเป็นเศรษฐีบุญแล้วก็ไม่ต้องรอรับบุญที่คนมีชีวิตอยู่อุทิศไปให้แต่ถ้ามีใครอุทิศไปให้ก็จะขอบใจจะอันงโมทนาแต่ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยบุญอุทิศเพราะบุญอุทิศนี้เป็นจำนวนไม่มากเหมือนกับบุญที่เราได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ บุญอุทิศนี้ก็เป็นเหมือนของที่เราส่งไปทางไปสีินี่เองไม่สามารถส่งไปได้มากไม่เหมือนกับบุญที่เราทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราสามารถขนไปได้หมดเลยถ้าทำบุญมากก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพแล้วก็จะได้อยู่เป็นเทพเป็นเวลานานจนกว่าบุญที่เราทำนี้หมดไป ถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าเดิมมีกํามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามกว่าเดิมมีเงินทองมากกว่าเดิมมีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอาการครบ32 อันนี้เป็นอา น, นิสงส์ของการที่ได้เคยทำบุญมาในอดีตพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะอยากจะทำบุญต่อคนเหล่า น, นี้ถ้าสังเกตดูจะเห็นเลยว่าคนบางคนนี่ชอบทำบุญคนบางคนนี้ไม่ชอบทำบุ ญ, บ ช, อบบญชอบทำบาปเพราะอะไรเพราะว่าเคยทำอย่างนั้นมาในอดีตนั่นเองถ้าเคยทำบุญมา ก็จะชอบทำบุญถ้าเคยทำบาปมาก็จะชอบทำบาปแล้วก็จะมีฐานะที่แตกต่างกันคนทาบุญนี่จะมีวาสนามีบารมีคนที่ไม่ได้ทำบุญคนที่ทำบาปจะเป็นคนที่อาภัพวาสนาบาลมีรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามผิวพรรณก็ไม่ผอมใส อาการก็ไม่ครบส2มสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุก็ไม่อยู่ยาวนานเพราะเป็นอนิสงค์ของบาปที่ได้ทําไว้นั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะพบกับอนิสงค์ของบาปก็อย่าทำบาปถ้าเราอยากได้อนิสงค์ของบุญเราก็ต้องพยายามทาบุญให้มากๆ ไม่มีใครทำแทนเราได้บุญนี้เราต้องทำเองแล้วก็ต้องเป็นของของเราเองเป็นเงินของเราเองอย่าไปเอาเงินของคนอื่นมาทำทำอย่างนั้นเราจะไม่ได้บุญเช่นเราไปเลี้ยลายเอาซองไปแจกอย่างนี้เราไม่ได้บุญจากการเลี้ยลายบุญเหล่านั้นคนที่เขาใส่เงินใส่ทองมาในซองเป็นผู้ได้รับบุญ เราเป็นเพียงแต่ผู้ช่วยเหลือให้เขาได้ทำบุญเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเลยเราเอาเงินของคนืวนมาทำบุญเราก็จะไม่ได้บุญดังนั้นอย่าไปกังวลเวลาเราทำบุญว่าจะต้องทำมากๆถึงจะได้บุญมากเราทำไปตามกำลังของเราเรามีเท่าไหร่เราก็ทำได้เท่านั้น จะทำมากกว่าที่เรามีย่อมเป็นไปไม่ได้จะไปเรียลายเอาเงินของคนอื่นมาทำก็จะไม่ได้เป็นบุญของเราบุญของเราต้องเป็นของของเราต้องเป็นเงินทองของเราถึงจะเป็นบุญของเราถ้าเราอยากที่จะได้บุญที่สูงกว่านี้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงกว่านี้เช่นสวรรค์ชั้นพรหม เราก็ต้องปฏิบัติจิตภาวนาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานขึ้นมาฌานนี้แหละที่จะเป็นบุญหรือเป็นสวรรค์ชั้นผงเวลานั่งสมาธิแล้วใจสงบใจก็จะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญ ให้ทานความสุขที่ได้จากการรักษาสิงความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเทมแต่ความสุขที่ไดจากการเข้าสมาธิเข้าฌานนี้เป็นความสุขชั่วคราวมีวันที่จะเสื่อมไปได้ถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้ เวลาเราตายไปใจของเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกแต่หลังจากนั้นบุญก็จะค่อยเสื่อมลงมาพอบุญชั้นชานชั้นพรมนี้เสื่อมลงมาก็จะมาเป็นชั้นเทพแล้วจากชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะกลับมานั่งสมาธิมาเพราติดมีนิสัยชอบนั่งสมาธิพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมานั่งสมาธิต่อไปเพราะเคยทำอย่างนี้เคยทำบุญเคยละบาปเคยเจริญสมถภาวนาพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบทำบุญลงบาปและจะเจริญสมถภาวนา เช่นพวกที่ชอบบวชกันพวกที่ชอบถือศีลแปดพวกที่ชอบเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวกันนี้เป็นพวกที่เคยทำติดอย่างนี้มาก่อนในอดีตจึงติดเป็นนิสัยไม่ยากที่จะเข้าวัดไม่ยากที่จะทำบุญไม่ยากที่จะรักษาศีลแปด ก, กันแต่พวกที่ไม่เคยทำนี่ จะรู้สึกยากพวกที่ไม่เคยทำบุญพอจะให้ทำบุญก็จะรู้สึกยากไม่เคยรักษาศีลพอจะให้รักษาศีลก็จะรู้สึกว่ายากไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเจริญสัมมาทิพภาวนาเวลาจะเจริญก็จะรู้สึกว่ายากเพราะไม่เคยทำมานั่นเองเหมือนกับคนที่ถนัดมือขวา เวลาจะใช้มือซ้ายก็จะรู้สึกว่ายากคนที่ถนัดมือซ้ายเวลาจะใช้มือขวาก็จะรู้สึกว่ายากทำไมคนเราจึงมีความถนัดไม่เหมือนกันทำไมคนหนึ่งถนัดมือซ้ายทำไมคนหนึ่งถนัดมือขวาทั้งๆ ท, ที่เป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันแต่ทาไมมีความถนัดไม่เหมือนกัน ก็เป็นเพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่จิตใจนี้มาจากพบก่อนชาติก่อนหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเคยถนัดมือขวาก็จะถนัดมือขวาต่อไปถ้าชอบทำบุญก็จะมาทำบุญต่อไปถ้าชอบทำบาปก็จะมาทำบาปต่อไป ดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราทำบุญเวลาทำบุญรู้สึกว่ายากเราก็แก้ได้วิธีแก้ก็คือต้องบังคับต้องฝืนให้ทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่ยากเหมือนกับถ้าเราไม่ถนัดมือซ้ายแต่เราต้องใช้มือซ้ายเพราะมือขวาพิการไปเราก็สามารถที่จะบังคับ ให้ใช้มือซ้ายได้ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะถนัดเองถ้าเราชอบทาบาปเราก็ฝืนได้อย่าไปทาบาปถ้าเราชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาทุกครั้งเวลาที่เราจะทำเราก็ฝืนอย่าทำพอเราฝืนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะ ง่ายต่อไปก็จะไม่อยากจะทําเองดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าไม่ดีการกระทำต่างๆที่เราคิดว่าไม่ดีเราเลิกได้เราเปลี่ยนได้เช่นเราเลิกค่าเลิกรักทรัพย์เลิกประพฤติผิดประเวณีเลิกโกหกเลิกเสพสุรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกคบค้นไม่ดีเป็นมิตร เลอกความเกียดข้าศสิ่งเหล่านี้เราเลิกเราเลิกได้แต่ต้องพยายามเท่านั้นเองเพราะเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาการเดินขึ้นเขานี้ย่อมยากกว่าการเดินลงเขาการทำอะไรที่เราถนัดนี้เหมือนกับการเดินลงเขาถ้าเราเคยถนัดกับการทำบุญเราทำบุญก็จะรู้สึกว่าง่าย แต่ถ้าเราไม่เคยทำบุญทำแต่บาปพอเราจะทำบุญก็จะรู้สึกว่ายากเพราะเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยภูเขาจะสูงขนาดไหนถ้าเรามีความตั้งใจมีความภาคภูยิมีความอดทนเราก็จะสามารถปีนขึ้นถึงยอดของภูเขาได้ถ้าเรายัง ทำบุญไม่ไม่เป็นเราก็พยายามทำได้ทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะทำได้อย่างง่ายดายถ้าเรายังละบาปไม่ได้เราก็ต้องพยายามละบาปไปเรื่อยๆฝึนไปเรื่อยๆบังคับให้ละบาปไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะละบาปได้อย่างง่ายดายถ้าเรายังภาวนาไม่ได้ เราก็ต้องบังคับให้ภาวนาให้ได้ต้องกำหนดเวลาว่าวันหนึ่งจะนั่งสมาธิกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเริ่มต้นจากน้อยไปหามากทำเท่าที่เราทำได้ก่อนถ้าเรานั่งได้ห้านาทีก็นั่งไปห้านาทีก่อนแล้วพอเรานั่งได้ห้านาทีแล้วเราก็เพิ่มเป็นสิบนาทีเพิ่มเป็นยี่สิบนาที ค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปเราก็จะนั่งได้นานและอาจจะนั่งได้ทั้งวันเลยสลับกับการเดินเวลานั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินพอเดินเมื่อยก็กลับมานั่งแต่เวลาเดินเวลานั่งเราก็คอยควบคุมใจเราไม่ได้เดินไม่ได้นั่งแบบคนที่ไม่มีสติเรานั่งเพื่อควบคุมใจของเราให้สงบ ใจของเราจะสงบได้ต้องไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆวิธีที่จะไม่ให้คิดปรุงแต่งก็ต้องใช้การเจริญสติเช่นพุทธานุสติถ้าเราใช้พุทธานุสติเราก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากำลังเดินหรือกาลังนั่งถ้าเราพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พอคิดไม่ได้เดี๋ยวใจก็จะว่างใจก็จะสงบเวลาสงบแล้วจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วจะเกิดความติดอกติดใจจะอยากนั่งมากๆอยากจะควบคุมใจให้สงบมากๆก็อยากจะไม่ทำอะไรนอกจากปฏิบัติปฏิบัติทำถ้าบวชได้ก็จะออกบวช ถ้าบวชไม่ได้ก็จะอยู่บ้านปฏิบัติธรรมจะไม่ทำภารกิจอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นภารกิจที่จำเป็นก็คือการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นเองส่วนภารกิจอย่างอื่นก็จะตัดไปหมดเพื่อจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยการจเจริญพุทธานุสติหรือธรรมานุสติธรรมานุสติก็คือการสวดมนต์ สวดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดบทไหนก็ได้ว่าก็ได้สวดไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยแล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนทำกันได้ถ้ายากก็แสดงว่าเราไม่เคยทำมาก่อนถ้าง่ายก็แสดงว่าเราเคยทำมาแล้วแต่จะยากหรือง่ายนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนเราก็จะสามารถทำสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราได้คือเราจะสามารถสร้างสวรรค์ได้สามารถปิดประตูของนรกได้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่สามารถทำได้พระพุทธเจ้า จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราพวกเราถ้าเราเข้าวัดได้มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรามีโอกาสพวกที่ไม่เข้าวัดพวกที่ไม่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี้ต่างหาที่จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถสร้างสวรรค์ให้กับตนได้ปิดประตูนรกได้ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ชอบเข้าวัดฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะยากหรือง่ายก็จะพยายามทาอย่างสุดกำลังถ้าทาอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะสร้างสวรรค์ให้กับตนเองได้จะปิดประตูนรกได้ จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าเราจะได้ความสุขและความเจริญเพียงอย่างเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควร ต, ต่อแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขละความเจริญแคล้วกลาดปลอดภัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ